ใจมองเห็นภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาและคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็นไม่มีเวลาสบายใจได้เลยหมคิดว่าเสือตัวนั้นจะโดดผงผ้ามางับคอไปกินอยู่เรื่อยไปแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ระลึกเห็นภาพเสือทีไรก็ระลึกถึงพุโทโธทีนั้นไปพร้อมๆกันไม่มีเวลาพลัง้งเผลอพอเริ่มเมืดก็เริ่มเข้าที่นั่งภาวนาพุโทโธบ้านคิดว่า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 ดังกล่าวแล้วแม้จะมีเสียงกระเึิมไปมาบ้านก็เป็นธรรมดาดังที่เคยได้ยินทั่ ว, วไปไม่เคยมารบกวนให้หลําบากใจตาปะขาวก็ขยันภาวนาและสละทิฐิมาน้าทุกอย่างกลายเป็นคนดีทั้งภายในภายนอกไม่มีที่ต้องติดนับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียวจึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืมจนแับนี้สําหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวมันเลยแม้ตาปาขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉยๆ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 ท่านก็ได้ยินชัดเจนแต่ไม่ได้สนใจเพราะเคยได้ยินอยู่เสมอจนชินหัวเสร็จแล้วต่อเมื่อตาประขาวมาเล่าให้ฟังด้วยทั้งร้องห่มร้องไห้เพราะความกลัวจึงได้พิจารณาตามเหตุการณ์และเทวดามาเล่าให้ฟังจึงทราบว่าเหตุบันดาลให้เสือตัวนั้นทรมานแก่เพื่อหายพยศไม่เช่นนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยๆทำให้เป็นบาปเพิ่มขึ้นเวลาตายแกจะลงนรก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 กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์สาวมาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณภาคไม่เคยลดละข้อวักปฏิบัติแต่ความเพียรทางใจตลอดมานับว่าเป็นอาจารย์ที่เหนียวแน่นทางธรรมปฏิบัติที่หายากองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันควรเป็นคติตัวอย่างแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงขอจติเรื่องท่านไว้เพียงนี้ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้ ไดเขียนเรื่องวิธีฝึกทรมานใจกับสิ่งที่น่ากลัวมีเสือเป็นต้นของพระธุดงค์มาเป็นลำดับยังไม่จบจึงขอดำเนินเรื่องต่อไปบางท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่ป่าเขียวลึกซึ่งถ้าเผื่อตกก็มีหวังแน่ๆสำหรับท่านผู้นั้นไม่กลัวจึงต้องทำวิธีนั้นซึ่งเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งเผื่อเพลสติก็ยอมตกลงเหียวตายไปเลยเพราะเวลาทาภาวนาอยู่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 เป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความตั้งใจและระลึกสติไว้กับตัวตลอดเวลามายอมทรงจิตไปอื่นมีสติประคองตัวอยู่ทุกขณะจิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกก็ย่อมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนะักท่านที่ทําวิธีนี้ก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเช่นกันการทําด้วยวิธีมีสิ่งบังคับคือความตายย่อมถือเป็นเรื่องสําคัญ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 ซึ่งเป็นที่น่าปลืมใจและควรทำอยู่เสมอไม่เกียดคร้านราคาญใจทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้เพราะการทำนั้นยังผลให้เห็นอยมพัทันตาไปทุกประโยค์แห่งความเพียรการออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้าก็ดีการไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนเขาก็ดีการเดินเที่ยวกรรมาฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดี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 ไม่ใช่เพื่อทำลายตัวเองแต่อย่างใดท่านผู้หวังพ้นทุกข์ทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้นโดยมากท่านคิดและทำกันอย่างนั้นท้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้งสามก็ทรงบำเพ็ญวิธีสละพระชนชีพ ด, ด้วยการอดพักยาหารไม่สวยอะไรเลยได้49วันซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันคือเป็นวิธีที่เด็ดเดี่ยวอาถานเพื่อใช้ชนะฆ่าศึกศัตรูภายในเมื่อทรงเห็นว่า ไม่ใช่ทางจึงทรงอแล้วทรงกลับมาตั้งสัติญาติฐานปฏิญญาณพระองค์ว่าจะประทับนั่งเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระไตยหมายหากยังไม่ได้ดตรัสรู้ธรรมสมพระประสงค์เมื่อไรก็เป็นอันทรงถวายพระชนชีพกับที่ประทับภาวนานั้นโดยไม่เสด็จไปที่ไหนๆอีกเลยนี่แสดงว่าถ้างบริตรัสรู้ธรรมจริงๆในที่ประทับนั่งเจริญอานาปานสติใต้ร่มมหาโพนั้น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 ซึ่งได้กลั่นกรองเอาแต่ยอดปฏิบัติทางอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนออกมาแสดงเพื่อท่านผู้ตั้งใจในธรรมอย่างยิ่งจะได้ยึดเป็นอุบายครึ่งผ้าสอนและฝึกฝนทรมานตนต่อไปสมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทางตรจิตตวิชาคือรู้วารจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านนี้อายุมากย่างเข้าเจ็ดสิบสองปี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 จะอายตัวเองไปตลอดวันตายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจจริงแล้วอย่ายอมให้ความโกลัวต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้หรือฟ้ามันลงมาเหยียบย่ําทํำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครโกลัตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิ้น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 ทาสิ่งกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มีทางเดียวเท่านี้คือต้องฝึกต้องทรมานใจดวงกําลังขนองโลดเต้นเพ่นพยองไปตามอารมณ์ที่ตัวคิดปรุงขึ้นลองตัวเองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นทุกข์ทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางที่จะพอเล็ดรอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียวส่วนจะคอยให้ความกลวัว ความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อผลทุกนั้นอย่าพากันหวังเดี๋ยวจะตายเปล่าและเน่าเฟะเปร่อยเฟื่องศาสนาให้เหม็นไปด้วยอย่าพากาันสงสัยไปนานจะเสียการเวลาไปปล่าทมของพระเจ้าไม่ใช่ทำรูปคลมและหลอกลวงถ้าใครเชื่อตามเหตุผลที่ประทานไว้และปากใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแหลกไม่เป็นห่วงเสียดว่าทำจะพาไปร่มจมปน่นตี มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกทำการกีดกวางใจมีความกลัวเป็นต้นผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งความเกษมในไม่ช้าการฝึกฝนทรมานตนด้วยธรรมนี่แหลคือทางพ้นทุกโดยถ่ายเดียวไม่เป็นอื่นจะนับประสาอะไรกับสถานที่ที่พระขี้คลาก็อยู่และบนว่ากลัวว่ากลัวกันทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถือเป็นธรรมดาไม่ได้กลัวส่วนสถานที่บางแห่งที่ผมไปอยู่บาเพ็ญ ชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้านไม่ยากให้ผมอยู่ที่นั้นกลัวเสือจะมาเอาผมไปกินผมเองไม่เห็นสนใจกับเสือแต่ชาวบ้านที่มาพูดให้ฟังว่าเสือดุเลยที่ไม่สนใจนั้นไม่ใช่อดีตเก่งไม่กลัวเสือที่เป็นทรัพย์หน้ากลัวของโลกเขาผมก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบหมอพราบดังพระขี้ขาดกลัวกันหากกลัวแบบนักสู้ว่าที่นี่แหละเป็นที่มีภัยรอบด้านและต้องเป็นสถานที่สําคัญในการมาเพลิงสาหรับเราด้วย จะเป็นหรือตายเรามอบไว้กับกรรมซึ่งเป็นคติธรรมดาถ้าเสือไม่มีเนื้อจะกินหรือเห็นว่าเนื้อพระหอมมีรสอร่อยกว่าอาหารที่มันเคยกินมาเป็นประจํามันต้องการก็มอบให้มันไปแต่เราต้องยึดธรรมคือความกล้าอาหารความเสียสละเพื่อทําไว้ไม่ยอมปล่อยวางกระทั่งสิ้นลมหายใจจะสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานพูดแสวงธรรมด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงและเทิดเกียรติพระศาสนาไว้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 ไฟไหม้มือเอาคนที่ขี้ขาหาทางออกไม่ได้ก็นำเรื่องเสือเรื่องผีมาคิดแล้วก็นำความกลวัวมาเผาใจตัวเองโดยไม่รู้จักวิธีแก้ไขเช่นเดียวกับเด็กเล่นไฟฉะนั้นบางครั้งการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกมันเกิดขัดข้องต่างามกันมาถ้าใจไม่กล้าหารจริงๆต้องล้มละลายแบบไม่เป็นท่าคือทางใจก็หย่และติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมื่อไรกองทุกข์สะสมกันเข้ามา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 นานวันถึงจะมีหอพริกหอเกลือบ้างบางทีเขาก็ตาพริกใส่ปลาล่าดิบเมื่อมาถึงที่พักแก้ออกดูทราบแล้วก็นําออกเสียฉันไม่ได้เพราะไม่มีโยมติดตามพอจะใช้สอยเขาไปทําให้สุขได้โดยมากความเป็นมาของพระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าประยู์ที่ไหนโ น, น่นอยู่นานๆไปจนรู้นิสัยของเขาของเราดีแล้วเขาเขามาถามจึงพอรู้เรื่องกันบ้าง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 พอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุขบิดและถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกันมีความประสงค์อะไรจะพักอยู่ที่นี่นานเทา่าไรเราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบได้บ้างเขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บางแดดบางลมบ้างทําแค่ที่พักหลับนอนให้บ้างทําทางจงกลมให้บ้างพอเป็นความสะดวกแก่การบําเพ็ญไม่ว่าที่ไหนโดยมากถ้าพักอยู่นานๆไป เขามาทำที่พักอาศัยและอื่นๆให้จนเกิดความเชื่อเริ่อมายจริงๆถึงคราวจะจากไปก็ไม่อยากให้จากบนอะไรเสียดายแต่เราก็มีความจำเป็นสำหรับตัวเป็นประจำจึงต้องเที่ยวบาเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะการอยู่ประจำในที่แห่งเดียวก็ไม่ดีนะักความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรการอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลุกประสาทให้ตึงตัวอยู่เสมอนั้นรู้สึกว่าดีสาหรับนิสัยผมความเพียรก็ก้าวหน้า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 มาอยากอยู่ในที่เปลี่ยวเพราะกลัวเสือเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเหนียวร้างไว้มาอยากให้ไปในที่ที่ควรเป็นสถานที่บําเพ็ญตามเยี่ยงอย่างอริยะประเพณีท่านพาดําเนินและฆ่ากิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้วแต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนหน า, นานแน่นเช่นที่สนุกสนาน ร, รื่นเริงโรงลิเกละครที่ขับกลอมบําเรอต่างๆอะไรเหล่านี้นี่แหละเรื่องกิเลสนําหน้า มันตวัดใจคนออกจากสีมจากทําได้อย่างง่ายดายและตะวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็นสถานที่บาเพ็ญหรือไม่ให้เข้าป่าเพราะรวเสือเป็นต้นแล้วต้อนเข้าสู่พอกสู่รงอะไรตามชอบใจของมันจากนั้นก็เสร็จให้มันไปเลยผลที่กิเลสเป็นผู้นำขก็ยเห็นกันประจักษ์ตลอดมาเป็นความประทับใจดังที่กล่าวมาผมจึงได้พยายามฝืนพยายามบึกบึน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 เป็นกระดาษสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้จึงพากันวิ่งหนีหมดคิดหาอะไรมาแสดงไม่มีเลยนั่งอั้นตู้ดูายอยู่อย่างนั้นแหลพูดอะไรไม่ออกทําไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นหมอก็คงหมดปัญญากับคนไข้รายนั้นนี่ก็หมดปัญญากับโรคออนแอร์โผลเปียกเกินกว่าจะถูไถกระมังถามจึงหลบซ่อนตัวเสียสิ้นไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลยบรรดาท่านที่มาอบรม อ, อยู่ที่นี่ได้พากันคิดบ้างหรือเปล่าว่า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 แต่ท่านปรินิพานเพราะอนิจจาวตรรัตถสั่งฆ่าราต่างหากส่วนเราธรรมะจึงคิดแต่อย่างเดียวว่าเสือ จ, จะเป็นผู้เก็บศพให้เท่านั้นเรากับโลกนี้มีเพียงเสือเป็นผู้คอยเก็บศพมนุษย์โดยถ่ายเดียวทั้งที่ไม่เคยเห็นเสือมาคอยเก็บศพมนุษย์ที่ตายแล้วแม้ตัวเดียวเห็นแต่คนล้ว น, วนมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วกันด้วยวิธีต่างๆตลอดการเผาศพเก็บกระดูกมนุษย์ตายแล้วเพียงเท่านี้เข้าใจว่าความกลัวก็จะเริ่ม เตรียมขนครอบครัวผัวเมียลูกเต้าเหล่ากอที่ตั้งรากฐานบ้านเรือนอยู่ในหัวใจอย่างมั่นคงมานานและขยับขยายออกไปด้วยความกลัวตัวสั่นเสียใจเพราะไม่มีทางต่อสู้กับนับนบรกรบที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและขนกันออกไปเป็นหมดเส้นไม่มีอะไรมาก่อโวนรวนลามให้เกิดความกลัวอีกต่อไปการจับกิเลสแต่และประเภทออกจากใจทำไมมีอุบาสติปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปรามเพียงแต่ความโมโหทําท่าขู่วานให้กิเลสกลัว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 มันจะกลัวอำนาจประปาเถือนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมาขูมันมันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ผมคู่เพมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความค่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดําเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยื่นเข้าไป ยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแต่สะระแคะแน่แน่ทากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลง ล, งลกูกแบบชลมุ่วุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวสุกหัวซุนหมุนติว้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไห น, ไหน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 ถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทํามาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเข้นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทําตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเข้นกิเลสขนลูกล้าและทัพน์สัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนหน้าที่ทํางา น, นตลอดที่ขับทายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดําเนินแบบวิธีหมอปร่าหมอา่า กิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมนิสก็มอปราบทําความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจําวัฏวบไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอมันตการเพราะทางเดินของกิเลสและผู้สังสมกิเลสก็คือเรื่องเกิดตายเท่านั้นซึ่งผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สังสมธรรมเพื่อตัดกิเลสวัตจัออกจากใจไปทุกประโยคของความเพียรยินไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้ จนกลายเป็นใจวิวัตตะในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัตตะแล้วเรื่องกิเลชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมดนี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเกิดตายหรือจะเป็นนักต่อสู้เพื่อหรือพบหรือชาติทิพฟังเชื้ออยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไปรีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนานอย่าเข้าใจว่าลมหายใจจะยืดยาวเหมือนสายไฟฟ้าแต่ความสั้นยาวของมัน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 ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองห้องทองทัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตอนเคียมตัวอันเป็นมัญญา ด, ดีงามต่อการเป็นิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งใจกันจริงจริงกระหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันปัจจัยสีที่เกิดมีขึ้นมากน้อยภายในาวถันจัดการเฉลี่ยเพื่อแพ้ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งวัด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 แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจครูอาจารย์และหมู่เพื่อนเลยนอกจากกระบายรายนั้นออกเสียหมู่คณะจึงจะมีความสงบสุขที่ท่านแสดงความังเกตตาผู้ทําผิดด้วยเจตนานั้นเป็นความชอบธรรแล้วเพราะคนเราเมื่อผิดด้วยเจตนาแม้ในเรื่องเพียงเล็กน้อยก็คงเพื่อเรื่องใหญ่ในวลนต่อไปอย่างไม่สงสัยที่ท่านพยายามตัดต้นเพลิงเสียแต่ต้นมือจึงเป็นสามีกิกรรมที่คุณเห็นด้วย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 ทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อธรรมดังที่ท่านรู้เห็นและแสดงให้ฟังจึงไม่ควรปฏิบัติรักคิวเอาตามใจชอบแบบที่โลกเขาทํากันได้ผลควรทราบว่าทําขับโลกผิดกันมากทาให้เดินตามแบบที่ท่านพาดําเนินมาแต่จะเอาความสะดวกเข้าว่าแบบลักคิวให้เป็นธรรมสมัยใหม่ขึ้นมาในใจนั้นน่าจะไม่มีหวังเพราะธรรมยิ่ได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่